พระบัญญัติ424ก็ภิกษุใดรู้อยู่ก็ยังคบหาอยู่ร่วมหรือนอนร่วมกับภิกษุผู้กล่าวตูอย่างนั้นผู้ที่สงยังไม่ได้ทำทำอันสมควรยังไม่ยอมสละทิฏฐินั้นต้องอบัติปจิตตีเรื่องพระชพพคีจบ